o r e p a r d h ท่านออกพรรษาแล้วหลวงปู่ดุลท่านเก็ อ, ออกเดินทู้เดินต่อไปที่จังหวัดเลยมีสมมเณ น, นติดตามไปได้วยหนึ่งรูปท่านมีความประสงค์จะไปอยู่ที่ถ้ำผาบิ้งบ้านนาแก่มีชาวบ้านมาบอกทัศทานว่าที่ถ้ำนั้นพักไม่ได้เพราะมีสีมาสจันทร์ มีอาถรรพ์ร้ายแรงเมื่อถึงเวลาโผเพจะมีเสียงผินพลาดระนาดของกรองบรรเลงกระหึ่มและมองเห็นคล้ายภาพควันดำหะรลอยพุ่งขึ้นสู่อากาศหายไปไม่รู้ว่าตัวอะไรนี่ชาวบ้านมาบอกอย่างนี้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 จะเป็นข้อเท็จจริงประการไดในที่สุดก็ได้แต่ยินแยมต่อเจ้าสิ่งที่ได้ยินและได้เห็นนั้นกล่าวขึ้เมื่อเวลาจวนค่ำโพลเพลลงข้งข่าวนับจำนวนแสนแสนที่อาศัยอยู่ในถ้ำนั้นเขาจะพากัน บินพรางรูเกาะกลุ่ชิงกันออกจากปากถา้ำดูแล้วคล้ายคล้ายควันดำที่พวยพุ่งขึ้นไปสู่อากาศบังเกิดเป็นกระแสลมกระโชกหวีดหวิวเมื่อพัดผ่านโรกครวนและร่องรูตามผ น, นมังถ้ำทำให้เกิดเป็นเสียงสูงต่นมีลีลาก็เสียงปีกข้งข่าวกระทบ ันทดผับแวดอากาศและเสียงที่สะท้อนตอบจากผนังถ้ำที่ดังกระหึ่มติดก้องไปมาราวกับว่าเป็นเสียงดนตรีสวรร่างที่เราเทาพ ย, ยดาพากันบรรเลงด้วยทิ้งพาธระ น, นากคล้องกลองฉะนั้นกลุ่มขั้งข่าวซึ่งจำนวนเป็นแสนเป็นล้านที่บิงพุ่งออกจากถ้าเป็นเส้นสายไปมานั้นเรา ก็เสมือนสับวิเศษในเพศนิยายปรำประราที่เล่าเล่าสืบสืบกันมากูมทั้งข่าวที่เป็นกลุ่มจะนับจำนวนนิท่วนนั้นบินพุ่งเรียนหายไปในอากาศกระจักต่อสายตาคนบ้านป่าที่กะลิ่แมงอย่างคนลุกขนชันด้วยความหวาดหวั่นยำเกรง ท่านจิงนำเอาความจริงเนีย่ยมาเผยความเชื่อถือดังกล่าวาความควมที่เป็นของชาวบ้านเหล่านั้นจินมหมดไสศรันทนาธรรม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 ยังให้เกิดความอาถารพร่าเรงในธรรมปฏิบัติยิ่งขึ้นกลับทิงไปโปรดยากโยมต่อมาลูกดุน ท่านเดิเนทางไปที่อำเภอพนมนิคมจังหวัดสกล น, นคร อ, อีกและได้พบ ก, กับาาท่านอาจารย์สิงห์ขันติยาขโมอีกครั้งหนึ่งแล้วหลวงตูดุลก็ได้แยกทางกับท่ า, านอาจารย์สิงห์เดินทางกลับกุรินเพื่อโปรดญาติโยมต่อไปรวมเวลาที่อยู่จังหวัดอุบล และจาริธุดงไปในที่ต่างๆเป็นเวลานานถึงส6บหปีแต่ผู้เรียบเรียนไม่อาจจะรวบรวมรายละเอยียดทั้งหมดนี้มากล่าวได้การย้อนกลับมาสู่ริรัคงนี้ก็มาแบบธุดง และไปพักที่วัดมาสามตั้งแต่นั้นมาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้เริ่มมีขึ้นแก่ชาวสุรินทร์ินช้างสารอีกหลังจากถูกปิดมาเป็นเวลานานชาวสุรินทร์โดยเฉพาะชาวบ้านตำบล น, นาบัวตำบลเฉเนียงเด็กแตกตื่นพระทุดงเป็นการใหญ่ คนไปฟังพระธรรมเทศนาและนั่งภาวนามากมายจนวัดนาสามไม่มีที่จะนั่งครั้นได้เวลาชวนข้าบุริมาพันาเห็นว่าวัดนาสามอยู่ในระแวกบ้านจนเกินไปท่านจึงได้ไปตั้งวัดอยู่ที่บ้านหนองสมิด ต, ตำบลฉลีมอำเภอเมืองจังหวัดบุรม ผู้เริ่มประสบผลทางปฏิบัติได้เดินทางตา ม, ตามไปนับส0กิโลเมตรเพื่อจเจริญสมาธิภาวนาและฟังพระธรรมเทศนาที่มีรสชาติซาบซึ้งถึงใจเป็นธรรมดาของชาวโลกสำหรับบัณฑิตทั้งหลาย่างก็พากันยกย่องสรรเสริญท่านว่าเป็นผู้ประกาศธรรม ด้กยการปฏิบัติด้วยตนเองเป็นยื่นอย่างที่ดีงามส่วนผู้ที่มีอบอดต่อสัจธรรมก็มีปฏิกิริยาถึงขั้นกล่าวหาต่างๆเช่น ว, ว่าพระบ้ามีวัดให้อยู่ไม่อยู่กลับไปอยู่ป่าเหมือนชมดมีข้าวให้กินทุกมือ้อ ก็กินนี้เดียวเหมือนคนอนาถามีช่วยมีชามให้ใสให้ใช้กลับไม่ใช้เอาแกงมกเอาแกงเอากลับคุกกันในบาทกินเหมือนข้าวแมวดังนี้เป็นต้นเพื่อเสียงเหล่านี้ก็พเพียงจะชวนให้ท่านยิ้มเท่านั้น ได้สิทธิสำคัญที่สุรินทร์ในบรรดาผู้ที่จิตตามไบปบำเพ็ญภาวนาที่วัดบ้านหนองสเสม็ได้มั้งมีผู้ที่น่าสนใจอยู่ผู้หนึ่งคือนางเรียเนเมืองไทยอยู่บ้านกระทมตำบลนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ เป็นอุบาติกามีศรัทธาแรงกล้าและมักจะพาบุตรชายมาด้วยเป็นประจำบุตรชายน้อยของมานมีนามว่าเด็กชายโชคามานเผ่กุลเมืองไทยขณะ น, นั้นอายุสิสองขวบเมื่อเด็กชายโชคติดตามมารดามาวัดป่าเพียงไม่กี่ครั้ง เด็กชายโชดก็ไม่อยากกลับบ้างด้วยตนเองมีอุปนิสัยรัดสงบชอบความเงียบสงบและการปฏิบัติมาแต่เล็กแต่น้อยน้งเหรียญผู้เป็นมารดาจึงมอบถวายให้อยู่ปรมิบัติอุปถามภพระอาจารย์หลวงปูดุมเเลยต่อมาท่าน ได้เป็นอุปชาให้บัพพชาแต่เด็กชายโชคเป็นครั้งแรกเด็กชายโชคก็เด็กบัรพชาเป็นสมณี น, นโชคสมณี น, นโชคเป็นคนขยันขันแข็งเรียบร้อยอ่อนโยนว่า ง, ง่ายสอนง่ายในปรากฏในภายหลังว่าเป็นผู้เจริญในสมณวิสัย ประกาศสุปฏิบัติเป็นกำลังใหญ่ในพระพุทธศาตนาเป็นที่นับถือรู้จักกันดีของสาธุชนทั่วประเทศตลอดจนถึงในรัชสมัติในนามของพระเทพสุธาจารย์ยงเล็กโชคคุณสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดวชิรารงกรณอำเภอป่าช่องผู้เมืองรับไปแล้วหากเพื่อนจะอาจทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาภายหลังได้ไซส์คงจะเกิดความตลดสังเวชใจ ประคนกับความทราบซึ้งเป็นอย่างยิ่งทีพระอาจารย์ของท่านคือหลวงปู่ดุลอ จ, จุโลนอกจากจะเป็นอุปชาผู้ให้บรรพชาเป็นสมณมะแก่ท่านแล้วเมื่อ ว, วันที่สามของเดือนเมษายนปีพุทธศักราช 2,518 ห้25ลวงปู่ดุลยังอุตส่าห์ทรมานสังขาร วัย8ปสบแปดของท่านในตอนนั้นเดินทางไปเผาศพให้แก่สิดน้อยผู้น่าเอ็นดูของท่านจนถึงวัดวัชิราลงกรณอำเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมานั้นอีกด้วย สมณะฝ่าหนองเสม็จแล้วหลุงปู่ดุลได้พาสมณะเนโชคสมณะเนรพรประคบย้อนกล่าวถึงสมณะเนนโชดนี้วิดนี้นะครับคือต้งจากคุณพระเทศสุทาจารณ์วัดวัชิราลงกรณ์ตรงที่มรณภาพไปแล้วนะครับท่านเลรอก ช, ชาติได้ อันนี้มีประวัติของหลวงปู่โชตินี่นะครับมากติดตามอีกองหนึ่งทีเดียวละ่ะมีประวัติที่ท่านขอผ่านครับแต่ชาตินู้นท่านเป็นอย่งางไรตายยังไงไปเกิดยังไงเกิดมาแล้วเป็นอย่งางไรโู้ละเอียดระออกมากทีเดียวครับประวัติหลวงปู่โชตินี่นะครับคือประเทพสุภาจารย์วัดวัตลารุงอง่อนท่านเป็นสมณะเนร หลวงปู่ดุลบวชให้ครับและตอนนี้ท่านกบรณะาภาพไปแล้วแต้หลวงปู่ดุลผู้เป็นอุปชาอาจารย์เนี่ยก็ยังได้ไปเท้าศพท่านอีกด้วยเอาความบวชหลังจ่อพรรษาที่สมกฝปา น, น้องสมิทธ์หลวงปู่ดุลได้พาสมมเนรโชตสมมเนรพรเดินทุดงไปตามเทือกเขาดงเรกผ่านไปทางเขาพระวิหาร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 มนีเป็นต้นชุกชุมชาวฟูรินที่ไปครองช้างป่าเนี่ยก็ไปเส้นทางนี้แหละเวลาลองคืนนั้นที่หมายถึงอาหลงปู่ดุนกับสมณีนทั้งสองล่ะอาจจะต้องปัดกฎห่างกันพอสมควรตามแบบะบับของการเดินผู้โด่งเพง่อคุณเิด เราว่ามุงปูดุลเกือบจะชีวิตไปพิงแคที่ป่านี้แล้วคือระหว่างทางลุงปู่เดินนํามากไปองอุ่นอี น, อนก็ตาไม่ทันขณะนั้นควายป่าตื่นเตลิดมาจากไหนก็ไม่รู้วิ่งเข้ามาข้างหลังสมวเมีทั้งสองหลบเข้าข้างทางปีนขึ้นต้นไม้อย่างแคล้วคล่องว่องไวส่วนมุงปูดุล ไม่ทันจะเลี่ยงจะลบได้ละควายป่าก็วิ่งเข้ามาถึงตัวท่านเสร็จทิ้งผูกควายป่าขุดเข้าเต็มแรงจนกระทั่งกระเดนล้มลงไปแต่ควายป่ากแตบควายปิ่วเลยไม่หนำใจกลับมาคุดท่านอีกลิ่งไปกลิ่งมาหลายตลบอยู่นะที่นั้นเป็นเวลานานจนจีวอนเี่ขาดรุ่งริ่ง เดชะบุญเดบุญหูด้วยอะไรก็ไม่ทราบปรากฏว่าเขาควายที่วิดนะ่ะถูกแต่ตามสอกแขนขอ ง, ขงท่นเ่านั้นแหละแต่ก็ยังความประโมกตกใจให้บังเกิดแจ่ผู้ติดตามเป็นอย่างยิ่งแต่ก็เป็นงตกใจอย่างเดียวไม่ถึงกับต้องเศร้าดเกในภายหลังเหมืินเหตุที่เกิดขึ้นกับท่านพาหิยะ พาุกิริยะแต่ครั้งสมัยพุทธกาลนู่นที่ท่นานพาหิยะพารุกิยะท่านเป็นพระอารหันต์แล้วไปถูกวัวบ้าขิดเอาจนถึงแก่นิพพานแต่หลวงปูดด่บุญเมตตอนนั้นท่านไม่ได้เป็นอะไรก็เพียงแต่อ่ากประมงจีวรขาดรุ่งเรีไปจะควายขิดก็ ถูกแตตามขอกแขนขอกขาทัานตรงนั้นเองไม่เป็นอันตรายหนักหนาเข้ากรุงเทพครั้งที่สองเมื่อกลับจากาการผุดงครั้งนั้นที่ไปทางขาพระวีหารอำเภอกรสาน ประเทศจำปูชาแล้วก็กลับมาอยู่ที่สมุทรป่างษอสเม็ด ต, ตามเดิมบางครั้งก็ไปอยู่ที่วัดประสาทบ้างทั้นจวนเข้าพรรษาท่านจึงเดินทางไปวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาฝากสมนเนีชค ให้อยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมณที่วัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมา น, นั้นตัวท่านเองนึกอยากจะศึกษาพระปริยัติธรรมเพิ่มเติมกับเขาบ้างท่านจึงเดินทางเข้ากรุงเทพพักอยู่ณที่วัดสมพันธ์ขวบวัดกาะแต่เรียนอะไรไม่ได้หดใจไม่จดจ่อตากการเรียนซะแล้ว มีแต่น้อมเอียงไปทางพุดองกรรมาฐานอย่างเดียวเมื่อว่าไม่อาจจะเรียนต่อไปได้อีกแล้วเพรออกพรรษาแล้วจึงพุดองไปทางจังหวัดลบบุรีพัดอยู่กับท่านอาจารย์อ่ําึ่งต่อมาเป็นพระเทพวรคุณเจ้าอาวาสวัดมันทีขักฐานหงุดุดุ ม, มดดไปพักอยู่กับท่านอาจารย์อ่ำมาประมาณสามเดือน ในระหว่างนั้นได้สนทนาทรธรรมแรกเปลียยนทำมาปฏิบัติขั้นประมัท ธ, ธรรมอยู่ตลอดเวลาและท่านอาจารย์อ่ำท่านก็ทราบอัยยาสัยของหลวงปู่ดุลซึ่งมุ่งแต่จะแปแวงหาความมีเวกขึ้นไปท่านอาจารย์อ่ำจึงพาหลวงปู่ดุลไปพักอยู่ที่ถ้ำอารหาัน เดิมชื่อถ้ำน้ำจัง่งตรงนั้นมีอ่างน้ำเล็กๆน้ำใสสะอาดและมีกลิ่นหอมชาวบ้านแถวนั้นจึงเรียกว่าถ้ำน้ำจังนงหลวงปุดลุลท่านก็ตั้งใจจะอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดแต่อุปสรรคก็มีมาจนได้เย็นวันนี้ มลวปูกกำลังส่งน้ำอยู่ก็ได้เห็นพระมหาพยมาจากวัดสมบันธวงศ์กรุงเทพอุตสาหติดตามหลวงปูมาจนพบได้แล้วกราบเรียนมลงปูว่าโยมของกระผมตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมทางสุรินขอให ม, มนุ์ท่านอาจารย์กลับสุรินขอให้ท่านอาจารย์โปรดเห็นแก่กระผมจะ้วย่าโยมทางสุรินด้วยเถิด สำคัญที่สุรินอีกเมื่อพระมหาพรอยได้มากราบเปลียนเช่นนั้นผู้วงปู่ท่านก็ไม่อาจจะปฏิเสธพระมหาพรอยได้จึงเดินทางกลับไปสุรินและไปพักอยู่ที่วัดนาสามอีกเพื่อโปรดญาติโยมต่อไป ขณะนั้นมีพระบุญธรรมและพระสามอากินจโนผู้ชอบใจในกิจธุดงของหุวงปดุลท่านทังพระบุญธรรมและพระสามจึงพากันมาเรียนกรรมฐ า, านและทดลองปฏิบัติ ด, ด้วยแล้วออกธุดงตามท่านไปในที่ต่งาง เมือหนว่าได้ผลทางการปฏิบัติดีแล้วท่านจึงนํนำให้เดินทุดงไปทางจังหวัดสกลนครหลวงปู่ธรมะจะแนะนำพิสุสมเีนผู้สนใจในทุดงกรรมฐานหืหกไปสกลนครเสมอเพราะทางสกลนครเป็นที่ที่มีครูบาอาจารย์มากสามารถกันกรยาณ น, นิต์ได้ทุกคนทุกแห่ง พบไปได้ไม่กี่ปีพระบุญธรรมก็มรณะภาพลงพระสามอติจโนจิ น, นจทุดองอยู่ในบริเวณสามสี่จังหวัดนั้นเป็นเวลาสิบสิบปีและไปทงภาคเหนือภัดใต้หลายปีจนกระทั่งฉราภาพจิงยอนกลับมาหาลุงปูดุล ที่จังหวัดสุรินทึงการกลับมาคราวนี้ก็เป็นพระอาจารย์สามหรือหลวงพ่อสามหลวงปูสามอากินเจโนแห่งวัดป่าไกลวิเวกผู้มีชื่อเสียงโด่งดังทางนั่งกรรมฐานได้ตลอดคืนมีคนมาจากแดนไกลทั้งสิ้นมาช่วยสร้างวัดสร้างโบสถ์จนสำเร็จ ส่วนชาวจังหวัดสุรินนั้นรู้จักท่านทีหลังเนื่องจากหลงพ่อสามได้ออกผู้ดมจากจังหวัดสุรินไปเป็นเวรานานจนกระทั่งกราภาพแล้วจึงได้ ว, วนกลับมายังสุรินไปจังหวัดอุบลครั้งที่สองและได้ฝึกสำคัญอีก ความรู้สึกส่วนลึกของหลวงปู่ดุล น, นั้นให้มีความมุ่งมั่นจะออกชุดดงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่จริงเดินทางไปอุบลอีกครั้งหนึ่งเพื่อตีจะออกชุดดงต่อไปอโดยไม่หยุดยั้นแต่พอไปถึงวัดสุทัศน์จังหวัดอุบลแล้วถูกผู้ประชาถูกมัดขอร้องไว้ให้อยู่ช่วยสร้างโบสถ์ เพื่อมีทุนเพียงสามร้อยบาทเมื่อไม่อาจเจ็ขับผู้ประชาได้ก็จึงต้องอยู่ช่วยแต่ตั้งใจไว้ว่าสร้างโบสถ์เสร็จเมื่อใดจะออกธุดงทันทีแสดงว่าใจของท่านมุ่งแต่ธุดงกรรมาฐานอย่างเดียวอย่างแน่วแน่ การสร้างโบสถ์วัดสุพรรณมันกินเวลา6ปีกว่ากินแล้วเสร็จนับเป็นโบท์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลขณะนั้นในระหว่าง น, นั้นหลวงปู่ท่านต้องทำหน้าที่หลายอย่างเช่นปกครองพระเนงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในการบวชน้าเป็นต้น ขะ น, นั้นมีสมมนเณรน้อยรูปหนึ่งหน้าตามหมดจดดีถ้าทีฉเฉรียวฉราดขยันเรียนหนังสือดีเป็นศิษย์อยู่ปรนนิบัติรับใช้ท่านเป็นประจำและฝึกหัดนั่งสมาธิภาวนาด้วยจากการที่ได้สังเกตพิจารณาดูถึงแววฉลาด ของเนรน้อยรูปมันท่าเจ้าตัวก็อยากจะไปกรุงเทศด้วยภายหลังท่านจึงฝากให้ไปอยู่กับมหาเฉยยโสภายหลังท่านได้เป็นพระเทศกัญญากวีเจ้าอาวาสพระเถระฝากพระเนร น, น้อยไปอยู่กับพระมหาเฉยยโสวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพ รากฏว่าเป็นไปตามแววที่ท่านสังเกตนั้นเิงพราะสมมินเนน้อยสามารถสอบได้ถึงปริยียาเอกประโยคแล้วราศิกษาบทไปรับระชการเป็นอนุษัฏฐาจารย์ในกองทัพบกเป็นนักปาทกิษปากคม เป็นนักเผยพระธรรมะผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมากผู้หนึง่งเป็นผู้ที่ได้ทรงเสริมเผยพรพระพุทธศาสนาที่ทุกที่ดีในกว้างขวางมากที่สุดมียุคซึ่งใครๆก็รู้จักท่านดีพราเอ่ยถึงชื่อพันเอก มุทุกังอาถิบีกรมการศาสนาผู้ร่วมรับไปแล้วท่านเด็กกล่าววันนี้คำนำหนังสือชุดเจ้าหน้าของท่านว่าท่านอาจารย์บุมเป็นพระกรรมฐานองค์หนึ่งเป็นพระพูดน้อยแต่รร ม, มากเท่าที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมาท่านทันเอกจริง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 มาประจำพิสุรินเมื่อรู้กูดุลปราตรามทำงานจนกระทั่งโบสวัดสุทัศน์ในเมืองอุเบนสำเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีแล้วท่านก็เตรียมการที่จะออกคุโดงทันทีแต่อุปสรรคอันสำคัญก็มาถึงคือมีนิงสือจากเจ้าคณะมนพล น, นคนรราชสีมา คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ติดโสอ้วนแต่เมื่อครั้งท่านยังเป็นที่พระธรรมปาโมกสั่งมาว่าให้เดินทางไปเพื่อพระมหาพรอยอุปปัสมโอบุระณวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทถึงกำลังทุดโทรมทึ่จริงต้องกลับจังหวัดสุริน เป็นว่าีิคุูดงที่มุ่งมันนั้นก็เป็นกานต้อมระงับไปโดยสิ้นเชิง